การสอบมัดหลังกับการถ่ายทอดสดสุดปุวยไทยความมันระดับโลกแม x กซ์ยไทยเพื่อพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศและทั่วทุกกุ่มโงกสนามแม็กว์ยไทยสเตเดียมพัทยา มีการดาเนินการภายใต้คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคล้นกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ออกโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยาเ ร, งร่งครัดเพื่อให้ผู้ชมได้รับช ม, ชมการถ่ายทอดสดมวยทุกเวยกาดขอบริจาคแบ็กม์มวยไทยอีกครั้งขอขอบพระคุณผู้ชมทุกคนที่ร่วมติดตามให้กาลังใจ กดไลค์และกดแชร์ตลอดระยะเวลาที่เราต้องหดจัดแ่นขันมวยตามมาตรการของทางรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้สนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยามีกลับมาถ่ายทอดสดศึกมวยไทยวอบมันระดับโลกเพื่อพี่เ้องาแฟนมวยทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่ง